ทีนี้ฝ่ายพระเถระเนี่ยนะก็คิดว่ามาตุคามคือผู้ที่มาโต้อตอบเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นการที่จะมาคุยในกุฏิเราเนี่ยมันก็ไม่มีความผาสุกอยางนี้ละกันท่านก็เลยไปนั่งอยู่กลางวัดนะีไปนั่งรอคนอยู่ที่กลางวัดเลยนางปริภาชิกาก็ไปถามพระเถระว่าท่านสั่งให้เด็กเนี่ยเหยียบธงของเราใช่ไหมพระสารีบุตรก็บอกว่าถูกแล้วเราเนี่ยสั่งให้เหยียบเองนางปริภาชิกาก็บอกว่าแสดงว่าเราจักโต้วาทากับท่าน แสดงว่าท่านเป็นคู่คู่อะไรคู่ต่อสู้ทางวาทะแล้วนะภาษารีบุตรก็บอกภาษาทุเชิญโต้เถิดอันละใครจะถามใครจะตอบล่ะคะเนี่นางปริภาชิกาบอกว่าเราถามขอถามก่อนภาษารีบุตรเออท่านเป็นผู้หญิงก็เปิดโอกาสให้ถามก่อนละกันนางปริภาชิกาเหล่านั้นเนี่ยทำไงดีก็ยืนอยู่4ีทิศเนี่ยนะยืนอยู่4ี่มุมภาษารีบุตรอยู่ตรงกลางก็ถามคําถามหนึ่งพันคำถาม พ่ออะไรพ่อเรียนมาจากพ่อห้าร้อยเรียนมาจากแม่ห้าร้อยนั่งถามนั่งสักภาษ า, าบุตรเนี่ยนะพวกเราจะตอบได้สักยี่สิำถามมาเนาะพระเถระเนี่ยนะเมื่อพวกนางทั้งสี่คนถามก็ไม่ได้ทำคำถามให้ยุ่งยากไม่ทำให้มีปมเหมือนตัดก้านบัวด้วยมีดคมๆฉะนั้นก็ถามอะไรมาก็ตัดฉับฉับฉับฉับบันก็บอกอ้าถามอีกมีอะไรจะถามต่อไปไหม นางปริพาชิกาบอกท่านผู้เจริญดิฉันรู้เท่านี้แหละก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาถามแล้วละ่ะพระเทระก็บอกว่าอพวกท่านถามเราตั้งหนึ่งพันแล้วเนี่ยนะเราก็ตอบไปหมดแล้วเอางี้แล้วกันเราขอถามปัญหาข้อเดียวเพราะฉะนั้นตอบปัญหาให้หน่อยเถอะนางปริภาชิกาเนี่ยพอรู้ความรู้ความสามารถของภาษาริบุตรไม่สามารถที่จะบอกว่าท่านผู้เจริญถามเธอเดี๋ยวฉันจะตอบเองไม่กล้าเลยเนี่ยนะ กลับบอกท่านผู้เจริญถามเถอถ้าหากว่ารู้แล้วจะค่อยตอบแล้วการถ้ารู้ก็จะตอบนะนะเพราะอะไรแม้ถามมาตั้งพันคำถามคำถามเด็ดๆ เ, เราได้ที่ถามคิดว่าปราบเซียนเนี่ยนะภาษาริบุตรตอบได้หมดก็เลยพระเทระก็ถามว่าปัญหานี้ต้องให้กุลบุตรที่ได้บวชแล้วศึกษาเป็นครั้งแรกเนี่ยนะถามว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งเนี่ยนะอะไรชื่อว่าหนึ่งก็เป็นคําถามที่เรียกว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งในกุมารปัญหาในคุทธกะปาฏะ อะไรชื่อว่าหนึ่งก็คือสัตว์โลกดํารงอยู่ด้วยอาหารนั่นแหละเนี่ยนะเรียกว่าเป็นูการพูดคําพูดที่ปริญญาธรรมเนี่ยนะคำพูดที่เป็นปริญญาธรรมก็คือทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือว่าทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยอาหารมันถ้าหากว่ากําหนดรู้อย่างนี้ก็ถ้ารู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ว่าภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่ง อาสวะถ้ารู้ยิ่งอย่างนี้ก็เพื่อละสิ่งที่กวรละคืออัสมิมานะเพื่อท า, อาเพื่อเจริญกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสําราญและก็เพื่อทําให้แจ้ง น, นะเจโตวีมุตอันไม่กําเริบเป็นต้นนางก็งกงกงกฟังแล้วก็มึนตืบเลยนะอะไรชื่อว่าหนึ่งตอบไม่ได้นางปริภาชิกาเหล่านั้นเมื่อไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายกว่าุไม่รู้มาไงเรื่องเนี้ยมายังไงไปยังไงที่สุดเป็นยังไง พระเถระก็ถามย้ำอีกนะคือคือโมอจะใช้ความคิดอยู่นั่นแหละพระเถระก็ถามว่าตอบสินางก็บอกดิฉันไม่เห็นไม่เห็นแนวทางว่าไม่รู้จะโต้อตอบว่ายังไงพระเถระก็บอกว่าเอาท่านถามเราตั้งพันวาทะเราก็ตอบให้ท่านหมดแล้วท่านไม่สามารถแม้จะตอบปัญหาของเราแม้แต่ข้อเดียวเลยหรือเมื่อเป็นอย่างนี้สรุปใครแพ้ใครชนะนางปริภาชิกาก็บอกว่าท่านเป็นฝ่ายชนะพวกดิฉันเป็นฝ่ายแพ้ อาแล้วคนชนะต้องทํำยังไงแล้วคนแพ้ต้องทํำยังไงเออเมื่อชนะเมื่อมีการชนะการแพ้เนี่ยนะมันจะไปจบลงกันง่ายๆได้ยังไงเพราะมีชนะมีแพ้แล้วอ่ะถ้าสงครามชนะสงครามแพ้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเนีาา่ยนะว่าถ้าเมื่อสู้รบกันทางปัญญาเนี่ยมีผู้ชนะมีผู้แพ้แล้วอ่ะคนชนะทํำยังไงคนแพ้เป็นยังไงพวกท่านมีกติกาว่าย่งไรจึงมาเที่ยวโต้ตอบเที่ยวปราบปรามลัทธิของคนอื่นอย่างไงนะ นางปริภิกปราชิกาก็บอกถ้อยคำของมารดาบิดาบอกว่าถ้าผู้ที่โตวาชะชนะเป็นชาวบ้านผู้ครองเรือนก็ขอไปเป็นหญิงรับใช้ปรนิบัติเข้าไปก็แปลว่าไปเป็นภรยาเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเป็นนักบวชก็จะขออ่าก็จะบวชในสำนักของผู้ที่ชนะวาทะเพราะฉะนั้นดิฉันจะบวชในสำนักของท่าน พระสารีบทก็บอกว่าโอ้ยมาทุกขามผู้หญิงไม่สมควรจะบวชในสำนักของเราเอาถือสารถือจดหมายไปบวชในสำนักภิกษุณี น, น, นู่นนะน่างปริภาชิกากราภาษาถืถือจดหมายเนี่ยนะของพระเทระไปยังสำนักของภิกษุณีส่งแล้วก็บวชครั้นบวชแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรไม่ช้านักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ย น, นะเก่งมากงั้นนะนะไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ สัจการนิครณเนี่ยนะสัจการนิครณเจ้าลัทธิวาทะเจ้าคารมที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือน้องชายน้องสุดท้องของนางปริภาชิกาทั้งสี่คนแต่ว่านี่สัจการนิครณคนนี้ฉลาดกว่าพี่สาวเยอะนี่นะพี่สาวเนี่ยเรียนวาทะในสำนักของพ่อของแม่ใช่พันวาทะเองไอคนนี้ไม่อิ่มในการเรียนก็เที่ยวเรียนมึงหมดนั่นแหละ เรียนทั่วเมืองภัยสาลีอ่ะแทบจะเก่งที่สุดในเมืองภัยสาลีก็เข้าไปเรียนทุกสํานักมางั้นฮะเพราะฉะนั้นเขาเรียนมามากเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อจบวิชาการเรียนในยุคนั้นก็ไม่ไปไหนอ่ะอยู่สอนพวกราชกุมารเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็รับสอนเฉพาะราชกุมารสอนแต่พวกเชื้อเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะเด็กประชาชนทั่วไปไม่รับสอนสอนแต่พวกเจ้าพวกนาย ทีนี้ไอ้ความที่เขาเนี่ยเขามีความคิดที่แปลกๆะนะเขาเขาถือว่าเขาเก่งมากเขากลัวว่าท้องของเราน่าจะแตกเพราะในพุงเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญญาเหมือนกันกินไขมันเยอะหรือเปล่าก็ไ ม, ม่ทราบเลยนะก็เลยเขาถือว่าปัญญานี่มันอยู่ที่พุงเพราะฉะนั้นโอ้โเก็บไปเยอะเนี่ยนะพุงก็โตโตก็เลยเอาแผ่นเหล็กเนี่ยมาคาดท้องเลยนะนักมวยใช้เข็มขัดเหล็กนั่นนะมาค่าเอาไว้กลัวว่าเดี๋ยวพุงจะแตกเพราะอะไรปัญญามันจะทะลักออกมาข้างพุงเลยนะ ก็เมีชื่อว่าสัจโกนิคันตปุตโตเรียกว่านิครณ น, นาต บ, บุตรเนี่ยนะปกติแล้วนิครณ น, นาธ บ, บุตรนั้นเชื่อว่าพสัสสปวาธิโกเพราะอะไรเพราะเป็นนักโต้ตอบเรียกว่านักโต้คารมเนี่ยนะเป็นนักพูดคือสามารถที่จะพูดโต้ตอบแล้วปันดิปนดิตวาโทโอ้อวดยกตัวเองว่าเขานี่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะก็สมัยใหม่เนี่ยก็ ก, ก็เรียกอย่างนั้นเนาะใช่ป็นญาตรีเรียวกว่าเป็น บัณฑิตท่าโทมหาบัณฑิตท่าเอกดุษฎีบัณฑิตโอ้ยบัณฑิตมีหลายชั้นเหลือเกินเนี่ยนะมีหลายบัณฑิตมากเนะแล้วชาวบ้านทั่วๆไปก็ยกย่องอนิี้คนหน้าตะบดว่าเป็นเป็นอะไรเป็นบัณฑิตนะ เ, เพราะอะไรเพราะเขารู้เยอะเนี่ยเช่นทํานายเรื่องดวงดาวเรื่องนั ก, กรรษัตริย์ดูเรกดูยามโอเ้เขาเป็นทุกเรื่องอ่ะทั้งโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรเป็นหลายอย่าง ก็เลยยกย่องว่าเออเนี่ยนิครนนาตบุตรนี่เป็นคนเก่ ง, งทีนี้ในนะทบทวนดูแล้วนะว่านิครนนาบุตรนี่เป็นคนที่อวดว่าเขาเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครอยู่ในสายตาของเขาเขาบอกว่าผู้ใดที่ปฏิญาณตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เขาไปคุยด้วยแล้วเนี่ยที่จะไม่ประมา ตัวไม่สั่นเงือไม่ไหลโสมออกจากรักแร้ไม่มีแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับเสาที่ไม่มีเจตนาเสามันยังสเทือนเลย่างั้น่ะจะพูดไปทำไมถึงพวกมนุษย์เล่าเนี่ยนะแต่จริงๆนะเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างไปคุยมาเงือแตกมาเยอะเนี่ยนะไปคุยกับพวกอะไรพวก อ, อนิครห น, นาตบุตรอชอชิตะ อ, อะไรนะครัวอชิตตะเกษกรมพลปุรณะกัสปะมคลิลิโคสารเนี่ย พวกเหล่านั้นเหงื่อแตกหมดเลยเนะี่ยตกอาการประมาทเพลิงเหงือ่อท่วมจริงๆเลยแหละเพราะฉะนั้นเขาจึงถือว่าอยคนอื่นก็เหมือนกันหมดเลยนะอวดดีอวดเก่งมาเยอะแยะเขาก็โต้ชนะมาทุกคนเนี่ยนะทีนี้เขาหาช่องทางมาจะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเลว่าเออคราวนี้ยพระพุทธเจ้ากําลังมีชื่อเสียงดงแล้วก็เด่นดังเพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสประคารลมกับพระพุทธเจ้าทีนี้เออแล้วทิฐิพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร งงไปหมดนะไม่เข้าใจว่าลทัทธิทิฐิแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็หาโอกาสหาช่องทางตกมาวันหนึ่งพระอาศชิเทระผู้มีอายุอายุก็หมายความว่าเป็นอาจารย์ของภาษารีบุเนี่ยนะครองผ้าตามสมณวัดแล้วก็ถือบาทเข้าไปบินทบาทณนะเมืองไผ่าลีสัจจการิครนเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาในเมืองไผาลีแลเห็นพระอัศิผู้มีอายุมาจากที่ไกล ก็เลยเข้าไปใกล้กล่าวปราศัยกับท่านพระอัสสชิแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งถามว่านะขอถามท่านพระอัสสชิพระพระสมณโคโดมเนี่ยนะแนะนำสั่งสอนสาวกอย่างไรอยากรู้จริงๆเลยลทัทธินี้สอนอะไรกันแน่เขาต้องการสอนอะไรลทัทธิอันนี้และคําสั่งสอนของพระโคโดมที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายเนี่ยมีส่วนอย่างไร คือเอาอะไรมาพูดบ่อยที่สุดแจกบ่อยที่สุดแสดงบ่อยที่สุดคือคําถามว่าลทัทธิแนวทางของลทัทธิเนี่ยอยู่ที่ไหนและวิธีการสอนสอนอย่างไรมากที่สุดพระอัศชิผู้มีอายุเนี่ยนะก็คือผู้ที่ระดับครูอาจารย์เนี่ยนะก็เห็นแล้วว่าจ ะ, ะนิครนนาตบุตรนั้นเป็นขอไปอ่าสัจจการนิครนนั้นเป็นนักโตวาทะมากเพรา ะ, ะนั้นก็ระมัดระวังในการตอบก็เลยตอบไปว่าอคิเวสนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปมากในพระสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างนี้ว่าคือชั้นต้นน่ก็บอกว่าบอกแนะนำก่อนว่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณแล้วก็บอกไปเองว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารคือขันห้าทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่อัตตาหรือทำทั้งปวงเป็นอนัตตาก็คือชั้นแรกก็บอกว่ามองทั้งหมดเป็นขันห้าก่อนแล้วก็พิจารณาขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็น อนาตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างนี้แหลก็คือคําที่เราสวดมนตนะ์ธรรมวัชเช้านะธรรมวัชเช้าใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายส่วนมาก อันนมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาจนถึงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสังเกตดูนะว่าท่านไม่ใช้คำว่าทุกเลยอันนรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกพระสัชชิไม่พูดอย่างนี้เลย ถามว่าทําไมพระอัสชิไม่ตอบอย่างนี้เนี่ยนะในข้อในหน้าเกย่อหน้ากลางบอกว่าพระเทระเนี่ยถ้าหากว่าท่านบอกว่ารูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกเนี่ยนะแม้แต่มรรคผลก็โดทุกเป็นทุกโดยอ้อมอริยมรรคทั้งหลายก็ทุกโดยอ้อมเพราะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกอริยมรรคอริยผลทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกโดยอ้อม มันถ้าพระพุทธพระอัจชิจะบอกว่ารูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกเข้านิครนก็จะถือโอกาสถามว่าเอาแล้วท่านบวชทําไมท่านผู้เจริญอสัจฉิงั้นท่านบวชทําไมพระเถรศก็บอกว่าบวชเพื่อมรรคผลกันนะตอนแรกก็บอกว่ามรรคผลเนี่เป็นทุกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกก็จะยกความคิดบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่คําสอนของท่านรอก เพราะอะไรท่านจะบวชเพื่อเพื่อทุกเลยหรือพันก็ถ้ามีการโต้อตอบแบบนี้เนี่ยนะนิครนก็จะอ่าสัจจการนิครนก็จะอาฆาตหรือโกรธอย่างรุนแรงถ้าโกรธผ้าทหารน่ะไปไหนนรกเนี่ยนะเพราะถ้าไปโกรธผ้าทหารข้าไม่มีเพื่อความสุขแก่นิครนเพราะฉะนั้นก็จะโกรธพระสัชชิในหนึ่งนะหรืออีกในหนึ่งอ่าแสดงว่าพวกท่านเนี่ยไม่มีความสุข พวกท่านเนี่ยมีแต่ทุกข์กันดังนั้นแล้วท่านจะมาลุกลี้ลุกลนทำทุกข์ให้มันเสื่อมโทรมทําไมเพราะฉะนั้นจึงไม่ทําปริยายคถาคือคําพูดที่พูดกับนักโตวาทะเนี่ยอย่าพูดเปิดช่องให้แม้แต่นิดเดียวคําพูดที่คุยกับนักโตวาทะเนี่ยนะมันเป็นคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้พร้อมที่จะเห็นตามแต่พร้อมที่จะโต้แยง้งนักโตวาทะทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะต้องไม่พูดคําพูดที่มีช่องว่างให้นักโตวาทะ ต้อตอบออกมาได้เพรนธ์ถ้าไปพูดว่ารูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกสังขารทั้งปวงเป็นทุกเนี่ยนะแล้วท่านบวชทาไมบวชเพื่อมรักมรักก็เป็นสังขารไม่ใช่เหรอเอาก็เป็นทุกแล้วท่านจะทําให้มีทุกทําไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็หาช่องเดี๋ยวก็ละลุกลามก็เรียกว่าพวกนี้ลุกลามแล้วก็เลยเลยเถิดเนี่ยนะลุกลามเลยเถิดเมื่อไหร่ก็ใครตกนรกค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะตกนรกเป็นต้นก็ป้องกันรักษา อย่าให้เขาได้รับทุกโทษพังก็เลยตอบในส่วนที่เรียกว่าไม่มีช่องว่าง น, นะเรามไม่ต้องไปคิดซับซ้อนอะไรมากก็คือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาพอคำว่าอนัตตาเมื่อไหร่นิครได้ช่องเลยถือโอกาส นี่มันต้องอัตตาสิมันจะเป็นอนัตตาได้ยังไง